อันบุคคลโยนไปจะไม่ตกลงเหนือแผ่นดินด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งเล่าพระเจ้ามิลินภูมิินทราชธิปดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสว่าธรรมดาบุคคลโยนไปซึ่งท่อนไม้และไม้ค้อนก้อนดินฉะนั้นย่อมจะตกลงที่ภูมิภาคพื้นแผ่นดินจะได้ตั้งอยู่บนอากาศหามิได้อากาศเปล่าจะทรงจะรับเอาไม้ค้อนก้อนดินไว้ใช่เหตุใช่ผล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 มิได้ทรงวิมติสงสัยเลยว่าเป็นศีละวิบัติบาปกรรมจากการไว้กะไรจรึงจะไม่สมรรจแกธรรมาพิสมัยมรรคผลนิมนต์ผู้เป็นเจ้าชักนำเอาเหตุนั้นมาวิสัชนาแก้ให้แจ้งก่อนพระนาคเสษ็ถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพรบ่พิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิสังาลาหลัง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 เหมือนยาพิษอันร้ายกาศถ้าจะไม่รู้ถ้ากินแล้วก็คงจะสิ้นชีวิตฉะนั้นอปิอันหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอาชา น, นติอาสิวิโสเปรียบดุจทีฆชาตอสอรพิษร้ายคบตอดบุรุษผู้หนึ่งเข้าบุรุษผู้นั้นก็ไม่รู้ว่าอสสรพิษ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 สมเด็จพระบรมกษัตราธิบดีก็เสด็จทรงช้างพระที่นั่งบรมหัตถีรัตตัวประเสรฐิฐแล้วก็ขี่มาโดยหนภาลัยประเทศอากาศแต่พระองค์เดียวโสดมาตรงพระมหาโพธิเข้าบรมจากนั้นก็ไม่สาคัญไม่ทันรู้ว่าพระมหาโพธิอยู่ตรงนั้นก็มิอาจขี่มงคุลหัสถีรัตเหาะข้ามพระมหาโพธิได้